ความหลังในสังสารบทที่17บทเรียนราคาแพงพิธีเปิดการอบรมเริ่มขึ้นเวลาเก้านาฬิกา แม่พินให้ผู้ปฏิบัติธรรมมาพร้อมกันที่หอประชุมภาวนากรศรีทิพพาเวลา8นาฬิกานาทีเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและการปฏิบัติตนตามขั้นตอนของพิธีลากรรมฐานเริ่มตั้งแต่กลาบพระอาจารย์ซึ่งจะมาเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมทุกครั้งเว้นเสแต่ว่าท่านมีกิจธุระจำเป็นที่จะต้องไปปฏิบัติศาสนกิจ ในฐานะที่เป็นเจ้าคณะอำเภอรพรมบุรีหากเป็นกรณีนี้พระมหาบุญซึ่งเป็นรองเจ้าอาวาสจะมาเป็นประธานแทนสาระของพิธีลากรรมฐานก็คือให้ผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งได้ปฏิบัติมาครบเจ็วันเจ็ดคืนแล้วได้ลากรรมฐานคือลาจากเพศนักบวชผู้นุ่งขาวห่มขาวมาเป็นผู้ครองเรือนตามเดิมจึงต้องลาศีลแปด หรืออัฏฐศีลมาสมาทานศีลห้าหรือเบญจศีลในพิธีมีการขอขมาลาโทษพระรัตนตรยัยพระกรรมฐานครูอุปชาอาจารย์พระอารามพัทธสีมาต้นโพพระเจดียพระพุทธรูปและพระอาจารย์โดยตั้งนโมสามจบพร้อมกันจากนั้นอาจารย์ยุพินเป็นผู้กล่าวนำ ผู้ปฏิบัติธรรมว่าตามดังนี้วันทามิพุทธังสัพพเมโทสังคมามัฏเมพันเตวันทามิธรรมังสัพพเมโทสังคามัฏเมพันเตวันทามิสังฆังสัพพะเมโทสังคมามัฏเมพันเต วันทามิกรรมฐานัางสัพพะเมโทสังกรมฐานเมพันเตวันทามิครูปัจชายาจริยขุณังสัพพะเมโทสังกรมฐานเมพันเตวันทามิอาราเมพัทธสีมายังโพธิรุขขังเจติยังพุทธรูปังสัพพะเมโทสังครมฐานเมพันเต ข้าพเจ้าขอวันทาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าจงอดโทษของข้าพเจ้าทั้งปวงข้าพเจ้าขอวันทาพระกรรมฐานครูอุปชาอาจารย์ขอพระกรรมฐานครูอุปชาอาจารย์จงอดโทษของข้าพเจ้าทั้งปวง ข้าพเจ้าขอวันทาพระอารามพัทธสีมาต้นโพพระเจดีพระพุทธรูปในอารามนี้ขอพระอารามพัทธสีมาต้นโพพระเจดีพระพุทธรูปในอารามนี้จงอดโทษของข้าพเจ้าทั้งปวงอาจาริเยปมาเทนะทวารัตตเยนะกตังสับพังอปราทังคามตุโนพันเต ความผิดพลาดทั้งป่งที่ข้าพเจ้าทั้งหลายกระทำแล้วด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีต่อหน้าก็ดีลับหลังก็ดีโดยเจตนาก็ตามไม่เจตนาก็ตามในพระอาจารย์ขอพระอาจารย์จงอดโทษเหล่านั้นให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทินกราบร้องกันสามครั้ง นอกจากขอขมาพระรัตนตรยัยพระกรรมฐานครูอุปชาอาจารย์พระอารามพัทธสีมาต้นโพพระเจดีและพระพุทธรูปแล้วต้องขอขมาต่อผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันในกรณีที่ได้ล่วงเกินกันไว้จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเพื่อจะได้ไม่ต้องมีบาปติดตัวกลับไปบ้านเสร็จพิธีขอขมา ตัวแทนผู้ปฏิบัติธรรมนำพานดอกไม้ทูบเทียนเข้าไปถวายพระอาจารย์จบแล้วผู้ปฏิบัติธรรมแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลจากนั้นจึงร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นลำดับสุดท้ายขอเดชะองค์พระประมุกภูมิผล มิ่งควันพวงชนประชาชาติไทยมหาราชคติยะภูวันในดุดร่มโพรมสของปวงประชาขอเดชะอมสมเด็จพระราชนินีผู้บุญบารมีจากรีเกกฟ้า องสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราชาข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดีอาองพระสยมบรมราชานรณ์ลาเปล่งบุญญาสมสงาบารมีพ้องข้าพระพุทธเจ้าน้อมกราขออัญชุลี saduk di maharaja saduk di maharajini k a w a r a p u t a เจ้าอามาโนและศิรกรนบพระภูมิปานบุญญาดิเร เอกบารมมาจากกรินพระสยามมินพระโยะสยิ่งยงเย็นศิราพระพระบริบาลผลพระคุณทรักษาปวงประชาเป็นสุขสารขอบันดาล าารระสงงงใดดดจจลิทยทยจจยยััวววหไเชชโยขั้นตอนต่างๆดังกล่าวมานี้หากเป็นเรื่องของการสวรดมนต์ซึ่งเป็นภาษาบาลีศาสนิกอื่นที่ไม่ใช่ชาวพุทธอาจละบางส่วนได้หากคิดว่าจะขัดกับคำสอนในศาสนาของตน แต่การร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมีทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ต้องร้องเพราะจะเกิดเป็นชาติขึ้นมาได้ก็ด้วยบารมีของพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นผู้นำในการรวบรวมกลุ่มคนที่กระจัดกระจายกันอยู่ให้มาอยู่รวมกันเป็นชาติที่เข้มแข็งและมั่นคง เพื่อจะได้มีกำลังต่อสู้กับศัตรูที่มารุกรานเมื่อเป็นชาติแล้วก็ต้องมีหลักใจคือศาสนาซึ่งแต่ก่อนมีสองศาสนาคือพระพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ์ในเวลาต่อมาเมื่อศาสนาอื่นๆเกิดขึ้นในโลกและเผยแผ่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ทรงห้ามหรือกีดกันทรงให้การอุปถัมภ์ศาสนาอื่นๆด้วย ราคือทรงเป็นศาสนุปธรรมพกและทรงให้เสรีภาพแก่พระสนิกรของพระองค์ที่จะเลือกนับถือศาสนาเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และช่วยกันทํารงไว้ให้อยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านานจบเพลงสารเสริญพระบารมีแล้ว พระอาจารย์ก็ลุกจากอาสนะเดินออกจากหอประชุมไปผู้ปฏิบัติธรรมนั่งประนมมือเมื่อท่านเดินออกไปแล้วจึงพากันไปกราบลาอาจารย์ยุพินแล้วแยกย้ายกันกลับที่พักไปเก็บของขณะนั้นเวลา9ก้นาิกา40นาทีคิดว่าจะไปกราบพระอาจารย์ที่กุติของท่านในเวลา10นาฬิกา และฟังท่านตอบปัญหายาิโยมจนถึง11นาฬิกาจึงไปรับประทานอาหารที่โรงครัวจากนั้นจึงเดินทางกลับบ้านเมื่อท่านพระครูเข้ามาในกุฏิก็พบเท่าแก่เสงและโยมผ่องสายนั่งรอยอยู่หน้าอาสนะท่านมิได้ทักทายแต่เดินขึ้นไปยังชั้นบนของกุฏิและบอกให้นายขุนทองมาเชิญสองสามีภรยาไปพบท่านข้างบน ประเดี๋ยวหนึ่งเท่าแก่เสงและภรรยาก็ขึ้นไปและทําความเคารพท่านด้วยการกราบเบนจางขปดิษยมผ่องไสก็จะมาเข้ากรรมาฐานด้วยหรือท่านถามยิ้มยิ้มทั้งที่รู้ว่าหลอนต้องดูแลร้านแทนสามีโยมทิ้งร้านไม่ได้หรอกค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวลูกค้าหนีหมดตอนนี้เริ่มมีคู่แข่งแล้วค่ะหลอน กร่าปเรียนแล้วบอกเหตุผลที่มาส่งสามีว่าที่โยมมาส่งเฮียเขาเพราะโยมอยากได้บุญจึงยอมปิดร้านครึ่งวันอ๋ออย่างนั้นหรืออาตมานึกว่าโยมจะมากินข้าววัดป่ามะม่วงวันนี้มีแกงส้มกับต้มผักกาดดองของโปรดโยมไม่ใช่รึอแม้โยมอุตส่าห์ไม่พูดว่าที่โยมมาก็เพื่อจะมากินแกงส้มกับต้มผักกาดดองนี่แหละคะ่ะ แสดงว่าหลวงพ่อทราบว่าโยมจะมาเลยสั่งให้แม่ครัวทำไว้ต้อนรับโยมโยมผ่องใสกราบขอบคุณท่านหนึ่งครั้งอาตมาไม่ได้สั่งหรอกโยมแม่ครัวเขาทาเองทาทุกวันเลยท่านเฉลยถ้าอย่างนั้นวันเฮียกลับโยมจะมารับอีกจะได้มากินอย่างสบายใจไม่ต้องกังวลว่าจะมารบกวนหลวงพ่อ โยมผ่องสายพูดอย่างโล่งอกเห็นเท่าแก่เสง็งไม่พูดไม่จาท่านพระครูจึงทักขึ้นว่าโยมเท่าแก่ทาไมไม่คุยบ้างล่ะนั่งนิ่งเชียวพูดบ้างสิขอประทานโทษในเมื่อหลวงพ่อให้พูดผมก็จะพูดตรงๆงเลยว่าหลวงพ่อกับอาศัยไม่เปิดโอกาสให้ผมพูดนะครับต้องขอประทานโทษที่ผมกราบเรียนตรงๆง อาตมาก็ต้องขอประทานโทษยมเท่าแกด้วยที่เสียมัน ญ, ญาตไปหน่อยเอาละอยากพูดอะไรก็พูดมาได้เลยยมผ่องายอนุญาตให้เท่าแกพูดบ้างนะท่านขออนุญาตโยมผ่องสาสด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มผมก็ไม่ทราบจะพูดอะไรเอาเป็นว่าผมฟังอย่างเดียวดีกว่านิมลหลวงพ่อคุยกับอาศัยต่อเถอะครับ เขาประนมมือขึ้นนิมนต์ใหม่เป็นไรโยมไม่ทราบว่าจะพูดอะไรก็ใหม่เป็นไรแต่อาตามาทราบว่าจะพูดอะไรกับโยมท่านเจ้าของกุฏิบอกอคันตุกะผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมนิมนต์หลงพ่อเลยครับเขาพูดพร้อมกับประนมมือนิมนต์อีกเอาละ่ะอาตามาจะถามโยมจํำได้ไม่ว่า โยมถามอะไรอาตมาในวันกลับจากอินเดียและโยมมาส่งอาตมาที่วัดเท่าแก่เสงตอบว่าผมถามหลายเรื่องหลวงพ่อจะให้ผมจำเรื่องไหนครับเรื่องที่เราคุยกันในรถยังไงล่ะอาตมาเล่าให้โยมฟังว่าคนที่มาเข้ากรรมฐานไม่ใช่ว่าจะมาด้วยศรัทธาไปเสียหมดทุกคนส่วนใหญ่มาตามคนอื่น คือเห็นคนอื่นมาก็มาบ้างบางพวกมาด้วยอํานาจของโลภะบางพวกมาด้วยอํานาจของโทสะเช่นโกรธผัวเลยหนีมาเข้ากรรมฐานประชดผัวจําได้แล้วครับผมถามว่าแล้วประชดเมียมีบ้างไหมหลวงพ่อตอบว่ายังไม่เคยเจอต่อไปอาจจะมีก็ได้แล้วมีหรื อ, อยังครับเขากราบเรียนถาม ก็จะมาเข้าวันนี้แหละอันที่จริงเขาไม่ได้ต่างใจจะมาเข้ากรรมฐานเขาจะมาให้อัตมาช่วยตามผัวผัวเขาเป็นถึงผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาแต่งงานกันมา2ี่สบปีไม่มีลูกเมียก็ชอบเล่นไพ่วันไหนเสียไพ่มาด่าผัวไฟแลบเลยพอดีผัวเข้ามาเข้ากรรมฐานเพราะกลุ้มใจที่เมียดา่า มาเข้าเจวันความจริงต้องกลับวันนี้อาตมาเลยดนใจให้เขาอยู่อีกเจ็วันเขาก็จะได้เข้าอีกหนึ่งรอบใช่ไหมครับส่วนผมต้องขออภัยที่กล่าวเปียนหลวงพ่อว่าอีกสามวันผมจะมาแต่พอผมมานึกได้ว่าผมต้องเข้ากรรมาฐานเจ็ดวันก่อนแล้วจึงเรียนบาลีอีกสมวันผมก็เลยรอให้รุ่นนี้ปฏิบัติครบเจ็วันไปก่อน พอมาเข้าจะได้เริ่มต้นพร้อมรุ่นใหม่เลยผมเลยอธิษฐานจิตขอให้หลวงพ่อรู้ว่าผมจะมาวันนี้ท่านพระครูบอกเขาว่าอาตมาไม่ได้รู้พระโยมอธิษฐานจิตหรอกแต่รู้ตั้งแต่ที่โยมพูดวันนั้นแหละและครับแสดงว่าผมอธิษฐานไม่สำเร็จเท่าแก่เสียงรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยไม่ใช่ไม่สำเร็จ แต่เพราะอัตมารู้ก็เลยไม่อยากรู้อีกเอาละได้เวลาลงรับแขกแล้วไปลงไปดูคนมาให้ตามผัวกันนั่งหน้าร อ, รอห้อยรออยู่ข้างล่างแล้วสองสา ม, มีภรรยากราบท่านสามครั้งแล้วจึงเดินตามท่านลงมายังชั้นล่างของกุฏิมีผู้มาถามปัญหามาให้ช่วยมาขอโชคลาภ และมาทำบุญรออยู่เต็มจนล้นออกไปข้างนอกเมื่อนายสมชายซึ่งนั่งรออยู่ข้างล่างนำกราบพระรัตนตรยัยหลังจากท่านพระครูนั่งยังอาสนะแล้วสตรีอายุประมาณ40ก็โฟมฟายน้ำตากราบเรียนท่านว่าหลวงพ่อเจ้าขาช่วยตามสามีให้ฉันหน่อยผัวฉันออกจากบ้านไปเจ็ดวันแล้วไม่รู้ไปตายที่ไหน หลอนขึ้นต้นด้วยสามีแล้วเปลี่ยนมาเป็นผัวเพราะกำลังโศกเศร้าและสับสนท่านเจ้าของกุติรู้ว่าหลอนลัดคิวจึงพูดกับผู้ที่ถูกหลอนลัดคิวว่าขอประทานโทษญาติโยมที่ถูกลัดคิวโยมคนนี้เขาทุกข์มากหากไม่ได้พูดก่อนอาจจะถึงกับอกแตกตายอาตมาไม่อยากให้เขามาตายที่กุตินี่จึงต้องขออภัยแทนเขาด้วย ท่านตั้งใจพูดให้แรงเขินพูดนุ่มนวลชวนฟังหลอนก็จะไปกันใหญ่ต้องใช้ไม้แข็งจึงจะช่วยหลอนได้ส่วนไม้อ่อนใช้กับหลอนไม่ได้ผลว่าอะไรนาโยมไหนพูดใหม่อีกทีสิท่านสั่งหลอนจึงพูดซ้ำอีกว่าช่วยตามผัวให้ฉันหน่อยผัวฉันออกจากบ้านไปเจ็ดวันแล้วไม่รู้ไปตายหาที่ไหน คราวนี้สามีหายไปเหลือแต่ผัวนอกจากนี้ยังเพิ่มหาหลังคำว่าตายด้วยท่านพระครูยังคงใช้ไม้แข็งด้วยการพูดดุดุว่าผัวเผลอที่ไหนอาตมาไม่ได้เป็นพระรับจ้างตามผัวโยมไปทำอะไรเขาละ่ะเขาถึงได้ออกจากบ้านไปท่านถามหาสาเหตุทั้งที่ทราบดีอยู่แล้วฉันไม่ได้ทำอะไรมัน อยู่ๆมันก็ขนเสื้อผ้าออกจากบ้านไปตายที่ไหนก็ไม่รู้นางยังคงพูดแบบเดิมๆไม่ได้ทำอะไรแล้วทำไมเขาถึงหนีไปละ่ะอย่ากโกหกนะถ้ากโกหกอาตมาไม่บอกว่าจะทำอย่างไรผัวถึงจะกลับไหนบอกใหม่ซิว่าไปทำอะไรเขา ก็แค่ด่าไปนิดเดียวเองหลอนพูดเสียงอ่อยๆด่าไปนิดเดียวนะด่าว่ายังไงบอกมาตามตรงนะท่านรุกเพราะต้องการดัดสันดานห ล, ลอนหลอนด่าผัวจนติดเป็นนิสยัยแล้วนิสัยก็กลายเป็นสันดานโบราณว่าสันดอนนั้นขุดได้แต่สันดานขุดไม่ได้ แต่วันนี้ท่านจะใช้เมตตาขุดสันดานหล่อนมีท่านผู้เดียวเท่านั้นที่จะขุดได้เห็นท่านเอาจริงสตรีวัยสี่สิบก็เกิดความกลัวจึงกราบเรียนท่านตามตรงว่าเออฉันด่ามันว่าไอ้ผัวเฮงซวยจะ่ะแม้จะไม่ได้พูดปดหาก็เก็บอีกประโยคไว้ด้วยคิดว่าท่านไม่รู้ แต่แล้วก็ต้องตกใจเมื่อท่านพูดขึ้นว่าทำไมจะไม่รู้ว่าโยมบอกมาแค่ครึ่งเดียวถ้าไม่บอกมาอีกครึ่งอาตมาก็ถือว่าหมดเวลาของโยมจะเรียกตามคิวแล้วนี่อาตมาไม่ได้คูนะเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวจ้าฉันจะบอกเดี๋ยวนี้หลวงพ่อต้องช่วยฉันนะจ้าหลอนละล่ำละลักด้วยกลัวท่านจะไม่ช่วย หล่อนทนทุกมาเจ็ดวันจนเจียนจะบ้าตาอยู่แล้วพอดีมีคนเขาแนะนำให้มาที่วัดนี้เขาบอกว่าสมภารท่านช่วยแก้ปัญหาได้แต่ถ้าไม่ได้หล่อนจะยอมตายอยู่ตรงนี้ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะไปไหนอีกว่ายังไงละ่ะจะบอกก็บอกมาจะได้ไม่เสียเวลาคนอื่นท่านเร่งอีกจ้าจ้คือฉันด่าเขาไปสองค ด่าว่าไอ้ผัวเหงซวยไอ้หน้าเฮียจะ่ะคราวนี้หล่อนเปลี่ยนจากมันเป็นเขาเพราะเริ่มรู้ตัวว่าพูดจาไม่สุภาพแล้วสามีเขาว่ายังไงบ้างท่านพระครูเปลี่ยนจากผัวมาเป็นสามีเมื่อเห็นหล่อนเริ่มจะรู้สํานึกเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่าฉันเอาเฮียมาทําสามีตั้งแต่เมื่อไหร่เขาเป็นมนุษย์และต้องขอลา แล้วเขาก็ออกจากบ้านไปไม่รู้ว่าไปตายร้ายดีอย่างไรบ้างฉันเป็นห่วงเขาจ้าหลอนเปลี่ยนสำนวนการพูดให้ฟังดูดีขึ้นกระนั้นก็มีเสียงบุรุษตะโกนมาจากด้านหลังว่าห mm. ลวงพ่อถ้าเป็นเมียผมด่าอย่างนี้รับรองผมเตะสลบเลยผู้หญิงคนนี้มีผัวดียังกับเทวดาแต่กลับไม่รู้คุณค่าถ้อยคำของบุรุษนั้น ทำให้สตรีสามีหายถึงกับร้องไห้โฮด้วยสำนึกได้หล่อนไม่โกรธบุรุษที่ตำหนิหล่อนแม้แต่น้อยเอาละ่ะไม่ต้องร้องไห้เดี๋ยวอาตมาจะบอกวิธีแก้ให้ท่านคิดว่าต้องให้บทเรียนราคาแพงแกหล่อนไม่ใช่นนั้นหล่อนก็จะไม่หลับจําสตรีนั้นหยุดร้องไห้และตั้งอกตั้งใจฟังอาตมาดูหน่าโยมแล้วโยมกุศลใหม่พอ ต้องสร้างกุศลเพิ่มอีกร้อยละเจอัตมาช่วยได้แค่20สอีกเจโยมต้องสร้างเองจะไหวไหมถ้าไม่ไว้สามีไม่กลับแน่นอนเพราะโยมมีกุศลอยู่ร้อยละสิบเท่านั้นไว้จ้ะหลวงพ่อหลวงพ่อจะให้ชันทำอะไรชันก็จะทำทุกอย่างถึงจะใช้ให้ชันไปตายฉันก็จะไปจ้ะหล่อนพูดจาน่าสงสาร ไม่ถึงกับตายหรอกแค่เฉียดเฉียดเอาละอาตมาจะบอกวิธีสร้างกุศลก็คือให้โยมเข้ากรรมฐ า, านวันนี้เลยโชคดีที่รุ่นที่แล้วปิดวันนี้เดี๋ยวบ่ายโมงรุ่นใหม่ก็จะเริ่มอีกโยมโชคดีที่มาทันรุ่นนี้พอดีธรามาชาติกว่านี้สามีไม่กรับแน่นอนท่านยำ้ำและเหตุการณ์ก็เป็นไปตามนั้นจริงๆ โยมต้องตั้งใจปฏิบัตินะต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่เลิกเล่นไพ่เลิกด่าสามีทำได้ไหมเลิกด่าสามีอย่างเดียวไม่ได้หรือจ๊ะส่วนไพ่นั้นดิฉันติดเสียแล้วคงเลิกไม่ได้เลิกไม่ได้ก็เลิกด่าสามีไม่ได้พอเสียไพ่กลับบ้านก็ด่าสามีทุกครั้งไม่ใช่หรือเอาละ่ะถ้าเลิกเล่นไพ่ไม่ได้ก็เอวัง อาตมาก็ช่วยใหม่ได้ไม่ต้องถามว่าไม่มีวิธีอื่นหรือเพราะถ้ามไม่ใช้วิธีที่อาตมาว่ามานี้สามีใหม่กลับท่านรู้ว่าหล่อนกำลังคิดที่จะต่อรองจึงพูดดักคอไว้ก่อนฉันไม่มีชุดแม่ชีมาจะจะทำยังไงดีจ๊ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้แม่พินพาไปซื้อที่จังหวัดสิงสมชายช่วยขับรถไปให้ด้วย ท่านหันไปสั่งในสมชายและถามสตรีนั้นว่ามีเงินมาพอไหมถ้าไม่พออาตมาจะให้พอจ้ะถ้าอย่างนั้นก็ไปเดี๋ยวนี้เลยตามหลุกสิทธิ์อาตมาไปเขาจะพาไปหาแม่พินหล่อนกราบท่านสามครั้งรู้สึกสุข ก, กายสบายใจราวกับว่าสามีกลับมาแล้ว เมื่อสตรีนั้นลุกออกไปท่านพระครูจึงถามสตรีที่อยู่ณที่นั้นว่าโยมผู้หญิงในที่นี้มีใครชอบด่าสามีบ้างไม่มีผู้ใด ย, ยอมรับท่านรู้ว่ามีอยู่เจ็ดรายที่มาแบบเดียวกับสตรีที่ลุกออกไปทว่าพวกหลอนไม่กล้าแสดงตัวท่านจึงพูดอีกว่าไม่เป็นไรไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรแต่อาตมาเห็นว่ามีอยู่เจ็ดราย ถ้าใครไม่เชื่ออัตมาจะชี้ให้ดูทีละคนเอาไหมไม่เอาค่ะสตรีเจ็ดคนร้องขึ้นพร้อมกันผู้ที่นั่งนะ้นที่นั้นจึงพอจะเดาได้ว่าสตรีทั้งเจ็ดนางที่ปฏิเสธนี่แหละที่ชอบด่าสามีหลวงพ่อคะเพื่อนในชั้นคนหนึ่งเ็าชอบด่าสามีแต่ตอนนี้เลิกด่าแล้วค่ะสตรีวัยเดียว ก, กันกับคนที่ลุกออกไปพูดขึ้น ทำไมถึงเลิกล่ะหรือว่าโยมแนะนำให้เขามาเข้ากรรมฐานที่วัดนี้ไม่ได้แนะนำค่ะแต่เขาแอบเล่าให้ดิฉันฟังว่าหล่อนไม่พูดต่อผู้ที่นั่งณที่นั้นอยากรู้และสงสัยว่ายายหล่อนจึงหยุดไปเสียชื้เฉยอ้าวหยุดเสีํยทไมเล่าต่อสิท่านพระครูบอกหล่อนแล้วหลวงพ่ออย่าว่าดิฉันทะลึ่งลามกนะคะ หากจะว่าก็ให้ว่าเพื่อนของดิฉันเพราะเขาเป็นคนเล่าหล่อนตั้งเงื่อนไขท่านเจ้าของกุฏิจึงใช้วิธีซาวเสียงด้วยการถามญาติโยมที่นั่งณนะที่นั้นว่าใครอยากฟังให้ยกมือขึ้นอาตมาจะขอใช้สิทธิเลือกเสียงข้างมากปรากฏว่าทุกคนยกมือท่านจึงตั้งเงื่อนไขอีกว่า ถ้าอยากฟังก็ต้องอย่าว่าโยมคนเล่าทะลึ่งลามกหากจะว่าก็ให้ว่าเพื่อนเขาแทนเพราะเพื่อนเขาเป็นคนเล่าตกลงไหมตกลงค่ะตกลงครับเอาละ่ะโยมเล่าต่อได้เพื่อนโยมเล่าว่ายังไงสตรีนั้นจึงเล่าต่อว่าเพื่อนดิฉันเขาเล่า ว, ว่าที่เขาเลิกดาสามี เพราะยิ่งด่า ก, ก็ยิ่งลูกโดกหัวปีท้ายปีเขาขี้เกียจเลี้ยงลูกเลยหยุดด่าค่ะเสียงหัวเราะคิกคักดังมาจากโยมผู้ชายส่วนโยมผู้หญิงอายเหนียมไปตามๆกันสมภารวัดป่ามะม่วงไม่หัวเราะหากก็ไม่น่าบึง้งเรื่องของผู้กรองเรือนท่านไม่สนใจเพราะท่านเป็นผู้สละเรือนมาเป็นนักบวชแล้ว กระนั้นท่านก็ต้องมาช่วยแนะนําเรื่องการแก้ปัญหาให้แก่ผู้ครองเรือนเป็นการใช้กรรมให้กับคนที่เคยเกิดร่วมกันมาในชาติก่อนๆแม่ผัวตัวร้ายที่อิจาริษยาท่านเพียงเพราะท่านสวยกว่าก็กลับไปแล้วหลังจากที่ปฏิบัติจิมจิมจำจำอยู่เจดวันแม้นางจะไม่ได้อะไรกลับไปเพราะความร้ายกาจที่ติดตัวมาจากชาติก่อน หากท่านได้คือได้ใช้กรรมโทษฐานที่เคยเกลียดนางนางมากินมานอนในวัดท่านเจ็ดวันโดยไม่ได้ทำบุญแม้แต่บาทเดียวก็เท่ากับมาให้ท่านใช้กรรมอันที่จริงท่านก็ไม่ได้สนใจว่าใครจะบริจาคหรือไม่เพราะท่านรู้ว่าคนมีบุญจะมาทำบุญกับท่านมากมายและท่านก็นำปัจจัยที่คนมีบุญนำมาบริจาคนี่แหละ มาสงเคราะห์ญาติโยมที่มาเข้ากรรมฐานแม่ผัวของท่านไม่ใช่ว่าจะไม่มีเงินนางมีเงินซื้อเพชรซื้อทองสะสมไว้แต่ไม่บริจาคทานเลยเมื่อเป็นดังนี้นางก็จะไปเกิดเป็นคนยากจนขัดสนในชาติต่อๆไปท่านระลึกถึงพระพุทธวจนะที่มาในพระไตรปิฎกเล่มที่14ข้อที่596 หน้าที่384ว่ากัมมังสัตเตวิพชติยะทิทังฮินัปปนีตตายะกรมย่อมจำแนกสัตว์คือให้สามและประณีตขณะนั้นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาท่านจึงบอกญาติโยมณที่นั้นว่าไปรับประทานอาหารกันก่อนบ่ายสองโมงค่อยมาคุยกันต่อทุกคนกราบท่านสามครั้ง แล้วพากันลุกออกไปท่านพูดกับเท่าแก่เสียงและโยมผ่องใสว่าเห็นหรือยังโยมคนที่ดาบผัวไฟแลบนะ่ะประเดี๋ยวก่อนบ่ายโมงผัวเขาจะมาหาอาตมาที่กุฏิต้องเตรียมกันไว้ก่อนว่าอย่าให้เมียเห็นไว้ให้โยมผู้หญิงสงบจิตสงบใจได้ค่อยเจอกันวันท้ายๆเดี๋ยวโยมสองคนไปรับประทานอาหารกันก่อน อีก2ี่สิบนาทีบ่ายโมงค่อยมาพบอาตมาที่นี่อาตมาจะแนะนำให้รู้จักพออคนที่ถูกเมียเปลี่ยนหน้าท่านพูดยิ้มยิ้มส่วนโยมพอทานข้าวเสร็จก็จะกลับเลยจึงขอกราบนมัสการลาโยมผ่องสกราบเรียนกลับยังไร ล, ล่ะท่านถามเดี๋ยวคนขับรถจะมาแวะรับค่ะ พอดีโยมใช้เข้าไปทุรัที่นครสวรรค์ประมาณบ่ายโมงคงมาถึงโยมจะไปนั่งรอที่หน้าวัดโยมจะไปนั่งรอที่หน้าวัดอ่อลืมไปคนขับเขาฝากเงินมาถวายหลวงพ่อเพราะคงไม่มีโอกาสได้เข้ามาวัดด้วยตนเองเขาเกรงใจหลวงพ่อค่ะใบออกมาจากกระเป๋าถือแล้วประเกนท่าน กลับไปเขาโชคดีถูกรตเตอรี่รางวัลที่สองเขาตั้งใจจะถวายหลวงพ่อสองพันค่ะแล้วเขาก็ฝากกราบเรียนหลวงพ่อว่าเขาเลิกเล่นหวยแล้วเพราะเขาเชื่อตามที่หลวงพ่อสอนว่ายังไม่เคยมีใครเป็นเศรษฐีเพราะเล่นการพานันแต่เศรษฐีที่หมดตัวเพราะเล่นการพานันมีมากต่อมากนายขุนทองให้พาสองสามีภรรยาไปรับประทานอาหารที่โรงครว